เรื่องทรงอนุญาตให้ฉันคณาโพชนาได้ในสมัยที่ทำจีวร212สมัยนั้นพวกชาวบ้านนิมนต์พวกภิกษุผู้ทำจีวรฉันตะตะหารภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามการฉันคณาโพชนะจึงไม่รับนิมนต์ภิกษุทั้งหลายนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุ รับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ฉันขณะโพชนะได้ในสมัยที่ทำจีวอนแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้